เถระผู้ตะวะหมวดว่าด้วยกุมารี 1 ว่า 20 ปีเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระ ผู้มารีที่บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความ ฉะนั้นพวกภิกษุณีบวชให้คุมารีอายุต่ำกว่า 20 ปีเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไป ภิกษุญนี 20 ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล 20 ปีเล่าเพราะกุมารีอายุปียังไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิว ความรู้รุนแรงเปรอะร้อนที่ไม่น่า 20 ปีย่อมอดทนต่อความเย็นความ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 ที่ชื่อว่าปีคือมีปีที่ชื่อว่ากุมารีพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสามเณรีคํา ภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 20 ปี 20 ปีบวชให้ 20 ปีภิกษุณี 20 ปี กุมารีอายุ 20 ปีภิกษุณีสําคัญ 20 ปีบวชให้ต้อง 20 ปีภิกษุณีไม่แน่ใจ 20 ปีภิกษุณีสําคัญ 20 ปีบวชให้ไม่ คือ 1 อายุต่ำ 20 ปีภิกษุณีสําคัญว่าอายุ 20 ปีจึงบวชให้ 2 กุมารีอายุปีภิกษุณีสําคัญว่าอายุ 20 ปีจึงบวชให้ 3 ภิกษุณีวิคคนจริต 4 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 2 ว่าด้วย สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า 20 ปีแต่ 2 ปีพวกเธอโง่ แต่ 6 ข้อ 2 ปีแล้วครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้ง แต่ยังไม่ได้ศึกษาตลอด 2 ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระว่าภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุณีจึงบวชให้ตลอดแต 2 ปีเล่าภิกษุทั้ง กระนั้นตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมเอกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งเราอนุญาตให้ภิกษุณีให้ศีลขาสมมติในธรรม 6 ข้อเป็นเวลา 2 ปีแก่กุมารีอายุ 18 ปีภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงให้ศีลขาสมมติอย่างนี้วิธีขอศีลขาให้ศีลขาสมมติกุมารีอายุ 18 ปีนั้นพึงเข้าไปหา กราบท้าว กุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้า สิกขาสมมุติในธรรม 6 ข้อเป็น 18 ปีทรงเห็นด้วย 18 ปีนั้นว่าเธอจง mm. Life life Yours, well 2 ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจาก <าม, S> 2 ปี 3 ดิฉันขอ 4 ดิฉันขอ 2 ปี 5 ดิฉันขอสมาทาน พวกดิฉัน 2 ปีพระผู้มีๆแล้วตรัสโทษแห่งความ เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบสิกขาบท 20 ปี 20 ปีที่ชื่อว่ากุมารี คำว่าตลอด 2 คือสิ้น 2 ปีที่ชื่อว่าผู้ยังบาทหรือจีวรหรือสมุสสีมาต้อง จบก็มาว่าจากครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์คณะและอาจารย์ต้องอาบัติ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทํา สามภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 2 จบ 8 กุมารีภูตวัคสิกขาบทที่ 3 ว่าด้วยการบวชให้กุมารีที่สูง ผู้ได้ศึกษาเสขะในธรรม 6 ข้อตลอด 2 ปีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าสิกขมานาทั้งหลายพวกเธอจงมานี่จงรู้สิ่งนี้ประเคนสิ่งนี้นำสิ่งนี้มาฉันต้องการ ในไหนพวกภิกษุณีจึงบวชให้กุมารีมีอายุครบ 20 ปีผู้ได้ศึกษา ภิกษุทั้งหลายทราบว่าผู้ 20 ปีผู้ได้ศึกษาศีลขันธ์ในธรรมปีแต่สงฆ์ยังไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้หรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้ว 20 ปีผู้ วิธีให้วุฒาน 20 ปีผู้ 6 ข้อตลอด 2 ปีแล้วนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่ม พึงขอแม่ครั้งที่ 2 พึงขอ 20 ปีได้ 2 ปีขอวุฒิฐานะ ผู้ได้ศึกษาศีลในธรรม <S rec isa> 6 ข้อตลอด 2 ปีนี่เป็นยัตติแม่เจ้าขอทรงสมมติต่อทรงทรงให้วุฒิฐานะสมมติแก่กุมารีปีผู้ได้ศึกษาศีลข้อตลอด 2 ปีแม่เจ้ารูปเห็นด้วยกับให้วุฒิฐานะสมมติ แก่ พระผู้ๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้ 20 ปีผู้ 6 ข้อ 2 ปี คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระ 20 ปีคือ 20 ปีที่ชื่อ ที่ชื่อศึกษาคือผู้ศึกษาสิกขาในธรรม 6 ข้อคือสงฆ์ยังมิได้ให้วุฒาณคืออุปสมบทให้ภิกษุณีแล้วแสวงหา จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปัชฌาย์ต้องอาบัติปาจิตตีย์คณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฏโบทภาชินีติกกปาจิตตีย์กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องโบทให้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําคือ 1 ภิกษุณี 20 ปีผู้ 2 ปี 2 ภิกษุณีวิคคนจริต 3 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 3 จบ 8 กุมารีภูตวะ 4 ว่าด้วย 12 เป็นปวัตตินีเรื่องภิกษุณีหลาย ภิกษุณีทั้งหลายมีปัญษาต่ำกว่า 12 บดให้คุณลัทธิดาพวกเธอเป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแม้พวกสัทธิวิหารีณีก็เป็นผู้ ผู้ภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระจริงหรือ ในไหนพวกภิกษุนี้มีพันษาต่ํากว่า 12 คำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 12 คือพันษา 12 ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้และ ญญทท 4, 2 ภิกษุณีวิคคนจริต 3 ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบท 4 จบ 8 กุมารีภูตวัค 5 ว่าด้วย เรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค บรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากัน 12 แล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมติจึงบวดให้คุณลทิดาเหล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่า ภิกษุทั้งว่าพวกภิกษุณี 12 แล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติบวชให้กุลธิดาจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระมีพระภาคเจ้าทรงตำหนิ ฤๅทําคนที่ภิกษุทั้งหลายใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยพระแลแล 12 แล้วภิกษุทั้งหลายทรงเพ่งให้วุฒาภณสมมุติอย่างนี้วิธีขอวุฒาภณสมมุติและกามวาจาให้วุฒาภณสมมุติภิกษุณี พร้อมอุตราสงเฉเวงบ่าข้างหนึ่งกราบ 2 พึงขอแม่ครั้งที่ 3 ภิกษุณีนั้นทรงพึงกําหนดได้ว่าภิกษุณีนี้เป็นคน ถ้าเธอขลาดแต่มีความละอายก็ไม่ควรให้ถ้าเป็นคน ถ้าสงพร้อมแล้วพึงให้อุทธาภณ แม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นเพื่องทักทวงรูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นเพิ่งทักท้วงวุฒาภณสมมุติสงให้แล้วแก่ๆแล้วจึง โบสถ์ให้กุลธิดาต้องจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ 12 แล้วคือมีปรรษา ที่ชื่อว่ายังไม่ได้สมมติคือสงฆ์ยังมิได้ให้อุทาปนสมมติด้วยยัตติทุติยะกัมมวาจาคําว่า คณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฏบทภาชณีติกะ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นกรรมที่ทําถูกต้อง สาภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 5 จบ 8 กุมารีภูตวัค 6 ว่าด้วยการบ่นว่าภาย ลำดับนั้นภิกษุณีสงฆ์กําหนดพิจารณาเธอในขณะนั้นแล้วไม่ยอมให้วุทถาพนะสมุติด้วยกล่าวว่า ที่ทําให้ส่งให้วุทถาปนะสมุจแก่ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสคาบดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะ ฉะไหนภิกษุณีจันทกาลีอันสงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าเธออย่า แม่เจ้าเธออย่าบ่นให้โกหลทิดาเลยรับคําแล้วบทวิพังคําว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใด คำว่าแม่เจ้าเธออย่าบดให้กุลธิดาเลยความว่าแม่เจ้าเธออย่าให้ สิกขาบท 6 จบ 8 กุมารีภูตวะ 7 ว่าด้วยการบอกสิกขมานา ภิกษุณีโถลนันทากล่าวกับสิกขมานานั้นว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้ <ม. S 1> เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ขน ภิกษุเนถุงลนันธากล่าวกับสิกขมานาว่าแม่ แล้วไม่บวชให้ไม่ขวนขวาชักให้บวชให้เล่าภิกษุทั้งหลาย ไกลหลังภิกษุนี้นั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่บวชให้ไม่ขนใดคือผู้ใดผู้เช่น ที่ชื่อว่าสิกขมานา 6 ข้อตลอด 2 ปีแล้วคําว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเมื่อ คือไม่สั่งภิกษุณีรูปอื่นพอท่อธุระว่าจะไม่บวชให้ไม่ขวนขวายชัย 1 ภิกษุณีไม่บวช 2 ภิกษุณีแสวงหาแล้ว 3 ภิกษุณีผู้ 4 8 อุมาเรภูตวัคสิกขาบท 8 ว่าด้วยการบอก 2 ปีแล้วไม่บวชให้เรื่อง ภิกษุณีธุลนันธาได้กล่าวกับศิกขมานา 2 ปีเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันจะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ แม่คุณคุณถ้าเธอจักติดตามฉันตลอด 2 ปีเมื่อเป็นอย่าง ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลลนันธาพูดกับสิกขมานาแล้วว่า แม่คุณคุณถ้าเธอจะติดตามฉันตลอด 2 ปีเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันจะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ ถ้าเธอจักติดตามเราตลอด 2 จบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใด ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะอุปสมบทให้เธอเป็นอย่างนี้เราจะอุปสมบทให้เธอคําว่าภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตราย คือ 1 ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้น 8 จบ 8 กุมารีภูตวัค 9 ว่าด้วย เรื่องภิกษุณีโถลนันธา ฉะนั้นแม่เจ้าโถลนันธาจึงโบชน์ให้สิกขมานาชื่อจันทกาลีผู้คุกครีกับชายคุกครีกับเด็กดุร้าย ทรงว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีถุงลนันธาโบสให้สิขมานาชื่อจันทกาลีผู้คลุกคลี ผู้คลุกคลีกับชายคลุกคลีกับเด็กกับชายภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้เด็กดุร้ายผู้ทําชายให้ระทมโศก ผู้ทำชาจบสิกขาบทวิภังคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัส ที่ชื่อว่าชายได้แก่ชายผู้มีอายุถึง 20 ปีที่ชื่อว่าเด็กได้แก่ชายผู้มี 20 ปีที่ชื่อว่าผู้คลุกคลีคือคลุกคลีด้วยกิริยาทางกาย สามเณรีผู้ได้ศึกษาศีลขาในธรรม 6 ข้อ คณะและอาจารย์ต้องอาบัติทุกกฎ 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณีต้น 9 จบ